แล้วไอหาวไม่ใช่หวาวยันอนนะ่นี่ตัวนี้ก็ โลกที่ไม่สงบเราที่ไม่สงบเพราะอาธรรมเข้าแทรกถ้าอาธรรมเข้าแทรกในสถานที่ใดบุคคลใดสถานที่นั้นบุคคล น, นั้นจะหาความทรงตัวอยู่เป็นปกติสุขไม่ได้ต้องมีอาการต่างๆให้เห็นยกตัวอย่างเช่นเมืองไทยเรา เป็นเมืองที่ชอบความสงบมาดั้งเดิมแต่ปู่ย่าตายายเมืองไทยเ่านี่เป็นเมืองที่ชอบสงบจนเป็นนิสัยรู้สึกจะหาเมืองไหนๆเทียบได้ยากเสมอได้ยากเนื่องจากเมืองไทยเ่านี่ถือพุทธศาสนาเป็นความเคยชินกับจิตใจเป็นนิสัยของธรรมแทรกอยู่ ทุกอาการที่แสดงออกของผู้ถือธรรมะถือพุทธศาสนาไม่มากก็น้อยถ้าใดลงได้ถึงพุทธศาสนาแล้วนิสัยมันเกี่ยวกับทำรรต้องแสดงออกเพราะฉะนั้นเมืองไทยเราจึงเป็นเมืองที่มีนิสัยให้อาภัยแก่กันไม่ชอบเลื่อมชอบราล่า เอาทอยเอาความแต่การกันถ้าไม่มากไม่สุดพิสยัยจนไม่เหลือวิสยัยจนเกินไปส่วนมากมีนิสยัยเช่นนั้นเมืองไทยจริงมักเป็นเมืองสงบสุขไม่ชอบยุ่งชอบวุ่นวายอะไรกับใครๆในขณะที่เมืองไทยเรามีความ สงบและชอบความสงบเป็นนิสัยก็เป็นโอกาสอันหนึ่งของพวกอัตธรรมซึ่งหาความสงบในตัวไม่ได้ถือความสงบนั้นเป็นของดึีของดีเป็นเมื่อเป็นหนังเป็นการเป็นงานเป็นช่องเป็นโอกาสที่จะหาผลประโยชน์หรืออํานาจวาสนาลายได้ไรายรวยอะไรก็แล้วแต่ใ่ตนแล้วก็ต้องแทรกเข้ามา ดังทุกวันนี้เราก็ทราบกันแล้วว่าเมืองไทยทั้งๆ ท, งที่เป็นเมืองชอบสงบแล้วมีความสงบอย่างนั้นทั่วดินแดนของประเทศไทยแต่เวลานี้ก็กลายเป็นแดนแห่งความไม่สงบขึ้นมามีการยุ่ยแย่ก่อกวนปุกปั่นปุกปั่นต่างๆทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าบ้านนอกในเมืองเมืองใหญ่เมืองเล็กในป่าในเขา มีทั้งนั้นแล้เมื่อสิ่งเหล่านี้แสดงออกแสดงตัวออกมาเมืองไทยที่เคยมีความสงบโรมเย็นก็สงบทรงตัวแห่งความสงบนั้นไว้ไม่ได้เช่นเดียวกับโรคภัยที่เขาแทรกสิงภายในร่างกายเจ้าของจะอยู่ด้วยความสงบสุขไม่ได้ต้องมีตับกินยาแสดงไปตามโรคที่มีมากน้อยภายในร่างกาย แั่นหนักเข้าพอจะต้องแสดงอาการควนรคร้างและสั่มและสายนี่ถ้าความไม่สงบความมุ่นวายนี้มีมากเข้าก็จะต้องแสดงอาการอย่างนั้นเืยร้อนกันไปทว่ดินแดนนี่คืออาธรรมเข้าแสกเป็นอย่างนี้ผู้ที่มีใจอาธรรมย่อมเห็นอธรรมเป็นของดีสำนักตนจึงไม่ยอมเห็นโทษ แล้วก็ก่อเรื่องอาธรรมขึ้นมาเรื่อยๆส่งเสริมขึ้นมาเรื่อยๆให้มีกําลังมากอาธรรมนั้นแหละเป็นเหมือนยาพิษเมื่อแทรกลงไปที่ตรงไหนจะทําให้สิ่ง น, นั้นเป็นพิษเป็นไทยเป็นความลําบากลําบนวุ่นวายขึ้นมาทำมากยิ่งกว่านั้นจะไปที่ไหนจะไปไหนจะเป็นอย่างไรนี่พอทราบกันได้ จึงไม่จาเป็นต้องอธิบายมีเราพูดถึงแง่ภายนอกทั่วๆไปที่นี่ย่นเข้ามาภายในจิตใจของเรา้าจิตใจของเราไม่มีเรื่องมีลาวมาดอแยกรบก ว, วรไม่มีอารมณ์มากอยู่ด้วยความสงบสุขมีธรรมเป็นเครื่องดียิ่งได้ภาวนาด้วยแล้วใจก็ยิ่งมีธรรมสงบถ้ามีธรรมอยู่ในใจใจก็สงบมีสติ มีการรักษาใจมีการเลือกเ้นอารมณ์เมื่ออารมณ์ชนิดใดคิดออกไปแล้วเป็นภัยแก่ตนเองให้เกิดความเดือดร้อนก็พยายามระงับอารมณ์นั้นไม่ให้สืบต่อเพื่อจะไม่เป็นการสร่งเสริมความรุนแรงหรือความเดือดร้อนภายในจิตให้มากไปใจก็สงบได้อารมณ์ใดที่เป็นไปเพื่อความสงบสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์ก็พยายามสั่งสมบำรุงอารมณ์นั้น ให้มีกำลังมากขึ้นจิตใจก็มีความสงบร่มเย็นมากขึ้นเพราะอาศัยคุณธรรมต่อเพศทย่างการรักษาเช่นเราภาวนาใจได้รับผ่อนามสงบใจแล้วก็เชื่องใจก็เย็นอยู่ที่ไหนก็พออยู่ได้มนุษย์เราถ้าใจเย็นแค่อย่างเดียวแต่ถ้าใจร้อนแล้วจะอยู่โลกไหนๆนี้ก็ต้องร้อน พราะความร้อนความวุ่นวายความทุกข์มันอยู่ที่ใจท่านจึงสอนให้อบรมเมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราด้วยธรรมจมย่อมใจย่อมมีความสงบสุขเรื่องต่างๆที่จะเป็นภัยต่อจิตจิตใจก็พยายามกําจัดตัดเต่าไ ม, ไม่เสาะไม่แสวงไม่ส่งเสริมมันไม่หลงไปตามมันถึงจะลําบากก็หักห้า ใจย่อมเลยคนระับความสงบน่่มเยือนีเราทั้งหลายมาบำเพ็ญปฏิบัติตนเองด้วยการบำเพ็นคุณงามความดีมีเจริญภาวนาเป็นต้นซึ่งเป็นจิตที่ชอบชอบทั้งทางโลกชอบทั้งทางธรรมคนที่มีธรรมในใจประกอบการงานทั้งโลก ก็เป็นประโยชน์ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่ก่อความเสียหายให้แก่ผู้อื่นใดภายในจิตใจก็มีความมั่นเย็นเป็นสุขใจเป็นธรรมชาติที่ส ะ, สะแสงหาความสุขอตลอดเวลาต้องอาศัยเจ้าของคือเราเราในะฐานที่นี่กงหมายถึงใจ กับสติปัญญาที่บวกกันเข้าใจอันหนึ่งเต็มไปด้วยสิ่งก่อควรเต็มไปด้วยสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่ท่านให้ชื่อตามหลักเพื่อศาสนาว่าพิเละแยกแง่หห่งใจอันหนึ่งขึ้นมาเป็นเป็นเราเป็นของเราแยกสติปัญญาขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราเพื่อทําำลาปราบปารามสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายนั้นด้วยความภาคเขียนของเรา ใจจะได้รับความสงบร่มเย็ดมีเรียกว่าชอบทางภายในเฉพาะตัวเราด้วยชอบทั้งภายนอกด้วยแต่การปฏิบัติธรรมพึ่งทราบว่าผิดจากการงานทางโลก งานทั้งโลกส่วนมากเป็นไปด้วยความเพิดเพลนวิภพจัยแต่งานทางธรรมนี้เป็นงานที่ทวนกระแสโลกที่เราเคยชอบใจจึงกลายเป็นสิ่งที่ต้องฝืนกันการภาวนาเพื่อจะให้ใจได้รับความสงบก็ต้องฝืนนั่งความฝืนความอดความทนนั่นแหละคือการบำเพ็ญธรรม ถ้ามันมีการฝืนการอดการทนก็หาทำไม่ได้ว่าเป็นความบำเพ็งหรือการบำเพ็งจิตใจก็หาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้หาความสงบสุขหรือเย็นใจไม่ได้คนเราเมื่ออยู่ด้วยความรุ่งร้อนทั้งวันทั้งคืนเดินเดินด น, นั่งนอนแล้วโลกอันนี้ก็เหมือนนว่ามันแทบเอาเหลือเกินแผ่นดินนี้จะกว้างขนาดไหนโรคจะมีจํานวนมากมาย สิ่งที่น่าลุ่นเรงมันเป็นข้อมีมากแต่มันก็กลายเป็นไฟแต่อยู่ภายในหัวใจจึงเป็นเหมือนกับว่าโลกนี้แคบไปหมดเพราะใจมีความรุ่มร้อนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้อบรมให้รักษาให้กำจัดปัดเตาสิ่งที่ให้เกิดความรุ่งร้อนอยู่ภายในจิตคืออารมณ์ที่ม่ดีของใจด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความอดความทนด้วยความฝืน ในอารมณ์ต่างๆที่ทำให้เป็นพษิษภัยแย่าีใกแล้วนำธรรมะที่เป็นคุณเข้าไปแทนที่เส้นกำหนดบทธรรมบทใดบทมีพุโทโธเป็นต้นให้อยู่กับบทธรรมนั้นๆใจเมื่อได้รับธรรมก็ชื่อไ ด, ได้รับโอสด จะมีความรู้สึกเบาสบายโรคคือคือความรุ่มร้อนภายในจิตใจก็ค่อยสงบไปเบาไปความผาสุขเย็นใจก็ปรากฏขึ้นมานี่โรครู้สึกว่าจะเลิ่อนกว้างไปชีวิตจิตใจก็รู้สึกว่าดืดอยาโรคก็ค่อยกว้างไปเพราะจิตใจพาให้กว้างขวางจิตใจพาให้ยลื่อมเยื่ เพราะฉะนั้นโลกกว้างหรือแคบจึงขึ้นอยู่ที่ใจดวงเดียวถ้าใจมีความคับแคบปิดตันภายในตัวเองถูกบีบบังคับอยู่ด้วยความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาใจก็แคบตีบตันหาทางไปไม่ได้ดีมาดีอาจตัดสินใจไปในทางที่ผิดซ้ำเขาอีกก็ได้เช่นอย่างคนที่มีความทุกข์มา ก, มาก ฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอตายอะไรอย่างนี้มีเยอะเข้าใจว่าเป็นทางพ้นจากทุก ค, ความจริงก็คือการเพิ่มทุกข์เข้าไปอีกแตยในตัวการฆ่าคนทั้งคนไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องใหญ่ตัวมากฆ่าตัวเองก็คือคนคนหนึ่งต้องเป็นทุกข์เพราะจิตนี้มันไม่แล้วมันแล้วเฉพาะร่างกายที่มีอยู่นี้ สมมติว่าตายในอัตภาพนี้แล้วอัตภาพนี้มันก็ไม่มีความหมายกลายเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟไปตามส่วนแห่งธาตุของเขาแต่ใจผู้เป็นผู้รับผิดชอบหรือเป็นเชื้อแห่งมรรคซึ่งเป็นนักทองเกี่ยวนี้ย่อมไม่มีการชื้นสุขออกจากร่างนี้ไปแล้วก็ต้องไปสู่ร่างนั้นออกจากที่นี่ต้องไปสู่ที่นั่นการไปที่นั่นไปที่นี่เกิดที่นั่นเกิดที่นี่น มันไม่ใช่ไปเกิดเอาตามธรรมดาของตัวเองแต่ไปด้วยอำนาจแห่งความขักดันของกรรมดีและชั่วหนักเบามากน้อยพาให้เป็นไปพาให้เกิดในพบน้อยพบใหญ่พบดีพบไม่ดีถึนทุกขติหรือสุ ข, ขติพบอันนี้เป็นต้นมันขึ้นอยู่กับวิบา ก, กรรมคือผลที่มันมีอยู่ภายในติ เกิดขึ้นจากการกระทำไม่ดีของเรามันแทกอยู่ภายในนั้นผู้นั้นแหละเป็นตัวปัญหาอยู่ตลอดเวลาเราจะมาแก้ด้วยวิธีการดังที่ว่านี่มันจึงแก้เพียงต้นเหตุแล้วก็เป็นการเป็นการเพิ่มต้นเหตุอันไม่ดีคือความไม่ดีเข้าไปใส่จิตใจอีกให้ใจต้องแบกบต้องหางต้องรับภาระความไม่ดีทั้งหลายเพิ่มเติมเข้าไปเลยไม่ใช่จึงไม่ใช่การตัดสิในในทางที่ถูก การตัดสินในทางที่ถูกมันผิดที่ตรงไหนมันร้อนที่ตรงไหนมันมีความทุกข์ความลําบากอยู่ที่ตรงไหนนอกจากใจแล้วมันมีที่อื่นแล้วกําหนดแก้ไขกันที่ตรงนั้นมันฟุ้งช่านก็พยายามระงับไม่มันคิดมันตุ่มเรื่องความเฟุ้งช่านําคาญต่างๆยับยัง้งหรือบังคับให้อยู่กับบทธรรมบทใดบทหนึ่ง จะเป็นจ่ตาจะชุกจะย่จะลำบากก็ฝืนบังคับกันนี่คือว่าเป็นผู้ต่อสู้เป็นผู้ป้องกันเป็นผู้รักษาตัวคือใจให้พ้นจากภายัยคือสิ่งที่ผิดทั้งหลายมาให้มันผิดมากมายไปใจย่อมเลละรับความสงบเย็นใจใจเป็นสิ่งสำคัญในร่างมนุษย์และสัก์พระพุทธเจ้าท่าน รงมุ่งหมายต่อจิตใจเปจ็นน้ำขันเกี่ยวกับการเปิดทานพระศาสนาไว้สอนโลกเพื่อสัตว์โลกจะได้เข้าใจในาศาสนธรรมแล้วปฏิบัติ บ, บาเพ็ญหรืออบรมจิตใจของตนให้ถูกทางเพราะใจนี้ไม่สิ้นสุดจะสิ้นสุดเฉพาะเรื่องถาดขันในอัตภาพหนึ่งเมื่อถึงวาระแล้วมันก็ไปคนดีคนชัว่วคนโง่คนฉลาดมันตายด้วยกันทั้งนั้นเนะี่ยอัตภาพนี้ แต่ใจซึ่งเป็นตัวการสาคัญนั้นมันไม่ตายไม่มีปา่าช้ามันก็ต้องไปอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดเชื้อซึ่งแทรกอยู่ภายในใจิตใจเชื้อหรือเชื้อที่จะทําให้มันไปเที่ยวเกอะไปเที่ยวที่เกิดที่นั่นตายที่นี่ถ้าหมดเชื้อนี่แล้วมันก็ไม่มีปัญหาใจก็ยุติ ในการท่องเที่ยวได้ทันทีที่หมดเชื้อถ้ายังไม่หมดเชื้อก็ต้องได้รับการบำรุงการรักษาในทางที่ดีเพื่อให้จิตนั้นไปดีเกิก็เกิดดีอยู่ก็อยู่ดีมีความสุขความสบายที่จะให้เรามีความสุขความสบายได้นั้นนอกจากการบำเพ็ญความดีนี้ไม่มีนี่คือคำของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้น ปต่ทานไว้แล้วโดยถูกต้องไม่มีใครจะมีความรู้ความฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าพระพุทธเจา้าในศาัตว์สั่งสอนสัตว์ทั้งหลายโดยถูกทางไม่มีที่ต้องติดไม่มีทางติดแวะเป็นอย่างอื่นนอกจากมีความถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นเราที่เป็นลูกศิาษย์พระธาคศคือพระพุทธเจา้าจึงควรถือหลักศาสนธรรมที่พระองค์ท่านประทานไว้แล้ว มาประพฤติปฏิบัติยากบ้างง่ายบ้างเป็นธรรมดาของงานที่ทำต้องมีบ้างไม่ว่างานทางโลกงานทางธรรมต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างไม่เช่นนั้นก็ไม่เรียกว่าทำงานดังที่ท่ทานทั้งหลายได้อุตสาหมาไม่ว่าท่านผู้ที่มาอยู่แล้วท่านที่เพิ่งมา มีเจตนาอันเดียวกันเพื่อหวังบำเพ็ญกุศลเพื่ออบรมตนด้วยศีลด้วยธรรมนี่ก็เป็นโอกาสอันดีเวลานี้ชีวิตจิตใจร่างกายของเราก็ยังกปกติแม้โลกจะตายอยู่ทุกหย่อมยา้ามีปาาช้าอยู่ทุกแห่งพนตาบลหมู่บ้านก็ตามแม่ที่สุดมีปาาช้าอยู่ภายในตัวของเราก็ตามแต่เวลานี้เรายังไม่ตาย ถึงชื่อว่าเรามีโอกาสเหมาะสมในการที่จะประกอบความภากเปลี่ยนในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เมื่อตายไปแล้วสุดสยิสายใครจะบำเพ็ญได้มากนา้อยเพียงไรเพราะต้องยุติไปทักหนึเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะบำเพ็ญทางโลกทางสงสารเราก็เลยำทำมาพอสมควรความเป็นอยู่ปุวายของเราก็อย่างที่เรารู้เราเห็นไม่ว่าท่านว่าเรา ในโลกอันนี้ก็ต้องเต็มก็ด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายในหน้าที่การงานเพื่อการของชีวิตนี้เราก็ได้ผ่านมาพอสมควรแต่ส่วนงานทางด้านธรรมะเพื่อความสุขสวัสดีอันเป็นผลที่พึงพอใจจากการบำเพ็ญคุณงามความดีนี้เรายังไม่ค่อยปรากฏภายในจิตใจอย่างแท้จริงเหมือนนักปราชญ์ทั้งหลายท่านที่ปรากฏมาแล้วและมาสอนพวกเรา เราจึงควรบำเพ็ญในระยะที่มีชีวิตติดใจอย่างนี้อย่าให้เสียเวล่ำเวลาคนที่มีบุญมีกุศลอันใดสร้างไว้แล้วจะ ต, ตายวันตายคืนตายเวลาใดด้วยเหตุผลกลไกลอันใดก็ตามก็คือผู้ดีอยู่วันยั่งคำต้องขออภยัยเช่นตายแล้วจะไม่นิ ม, มนต์พระมรุญชลามาติีกาก็ไม่เสียหาย อันนั่นเป็นแบบเป็นกับเครนี้อันหนึ่งไม่ใช่เป็นความจริงดังที่ตัวของเราได้บําเพนด้วยตัวของเราเองอันนี้เป็นความจริงเป่นเป็นสิ่งที่เห็นประจกอยู่กับเราว่าเราได้สร้างกุศลด้วยตัวของเราเองมีมากน้อยเราทราบอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของเราผู้ที่มีกุศลมีบุญด้วยการสร้างไว้ด้วยตนเองเห็นประจักอย่างนี้ ผู้นี้แลคือผู้สร้างกุ้ชลาธรร ม, มาทำที่เป็นกุศลเมื่อเราสร้างอยู่เช่นนี้ก็เท่ากับมาติกาตัวเองเป็นแม่บทอันดีงามสําหนักใจของเราในสมัยแต่ตาอยู่ในป่าในเขาในบ้านในช่องในที่ไหนแต่นี่พระมามาติกากู้ชลาหรือไม่บังสกุลอะไรอะไรหรือไม่ก็ตางไม่เป็นความบกพร่องไม่เป็นความเสืียหาย ไม่เป็นการตัดกำลังแห่งความดีของเราที่ได้สร้างไว้แล้วแม้แต่น้อยหรือแต่อย่างใดเลยทา่านจึงสอนให้สร้างกุศลเสียตั้งแต่บัดนี้ที่เรียกว่าสร้างกุศลาธรรมมาคือธรรมที่เป็นกุศลผลที่เกิดขึ้นจากกุศลได้ากความฉลาดนั้นก็คือบุญเป็นความสุข ภ า, ายในปิดใจพระพุทธเจ้าท่านสอนคนท่านสอนอย่างนี้สอนคนเป็นให้รู้เรื่องของตัวให้รู้การสร้างกุศล ส, สร้างอย่างไรไม่ใช่อยู่เวลามีชีวิตยอยู่ไม่สนใจกับวัดกับว่าวัดอยู่ภายในตัวศีลวัดทานวัดภาวนาวัดไม่เคยสนใจ ตายแล้วคข้าไปหารนิมนต์พระมกุศลธรรมมาคุศลธรรมมาแล้วพระว่าผู้นั่นจะไปสวรรค์ผ่านกันเลยเป็นความที่เกียดอ่อนแอมอบภาระให้ให้คนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นเสียโดยที่ภาระอันสำคัญซึ่งมีอยู่กับตัวที่ควรจะทำนั้นไม่ทำต่อเพิ่งไปเถอะเจับ <c oughs> ่แเทุกผังไปไหนหอ่ะตรรมาเราเลยล่ ม, มอ๋อจะหวังมันมันไม่รู้ การสร้างกุศลด้วยตัวเองสร้างกุศลาธรรมมาด้วยตัวเองหรือมาติกาตนด้วยตนเองเป็นสิ่งที่แน่ใจมั่นใจดังที่เราสร้างอยูดีลันนั่งฟังเท่เดือนนี้ก็คือการสร้างกุศลหรือการมาติกากุศลามาติกาคนเป็นคือเรานี่บรรตุ ธำมะเข้าสู joy, like women, mm ่จ hmm. ิตใจกลายเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาโดยลำดับๆนั่นแหละคือการสร้างกุศลให้เห็นประจักษ์ตนโดยแท้เพราะธรว่าศาสนธรรมคือปุทตะเจ้าคนต่างคนนั่นเฮ้ยวะเลวรังเกะเฮ้ยเลือนแล้วก็เล่นแขนแล